นิสยามุจจนกะกะถาว่าด้วยการถือนิสัยและการพ้นนิสัย103ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ทักคีนาคิรีชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วก็เสด็จกลับมายัางกรุงราชครื้ตามเดิมอีกได้ตรัสเรียกท่านพระนลนมาสอบถามว่าอานนต์ตถาคตได้จาริกไปยังทักคีนาคิรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุจำนว น, นน้อยเพราะเหตุไร ท่านพระนนท์จึงกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ